เมื่อพูดถึงการศึกษาคนทั่วไปมักนึกถึงการเล่าเรียนความรู้สำหรับธรรมมาหาเลี้ยงชีพอันเป็นเรื่องของอาชีวะและเป็นเรื่องระดับศีลการศึกษาที่มุ่งสร้างแต่อาชีวะโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัมมาชีวะหรือมิจฉาาชีวะย่อมไม่มีสาธุชนใดเห็นชอบด้วยแต่การศึกษาที่มุ่งสร้างสัมมาอาชีวะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจสร้างสัมมาทิฏฐิ ก็ยังหาชื่อว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องใหม่และน่าจะไม่สำเร็จผลสมความมุ่งหมายแม้แต่ที่จะให้เกิดสัมมาอาชีวะนั้นด้วยเพราะยังไม่เข้าถึงตัวการศึกษาอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะแต่เพียงชื่อไม่ใช่สัมมาอาชีวะที่แท้เพราะเป็นการฝึกหัดศีลโดยไม่ทำองค์มรคให้เกิดขึ้นจึงยังผิวเผินฉาบฉวยไม่อย่างรากลงทางที่ถูก จะต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิไว้เป็นรากฐานของสัมมาอาชีวะด้วยพูดง่ายๆว่าจะให้ถือศีลโดยไม่มีความฝ่นิยมศีลหรือให้ประพฤติสุจริตโดยไม่มีค่านิยมแห่งความสุจริตย่อมไม่เพียงพอดังจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มีอยู่ในสังคมบางทิน่นบางสมัยความฝ่นิยมทุจริตเป็นไปอย่างแพร่หลายถึงกับคนจานวนมากเห็นแปลว่า การทำอะไรได้สำเร็จหรือหาทรัพย์สินได้ด้วยวิธีหลอกลวงคดโกงฉลาดในการทุจริตหรือทำร้ายผู้อื่นเป็นความเก่งกล้าสามารถสังคมนั้นแม้จะมีสภาพทั่วไปอุดมสมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยการทุจริตและอาทยา ก, กรรมพร้อมกันนั้นในอีกสังคมหนึ่งซึ่งสภาพทั่วไปมีความอดอยากยากแค้นกว่าเป็นอันมากกลับมีอาทญา ก, กรรมต่างๆน้อย แม้แต่คนจนไร้ก็ยอมเป็นขอทานยิ่งกว่าจะลักขโมยทําการทุจริตแต่ในสังคมที่ขาดความใฝ่สุจริตแม้แต่การขอทานคนก็ทําอย่างเป็นการทุจริตความที่กล่าวในตอนนี้มีความสําคัญถึงขั้นหลักการซึ่งควรจะเน้นไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมัด ก, กับไตรสิกขาซึ่งมองดูได้ที่สัมมาทิฏฐิกับการฝึกอบรมศีลอันเป็นข้อแรก ของหมวดธรรมแต่และฝ่ายในตอนต้นได้เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นปัจจัยกันระหว่างศีลกับสัมมาทิฏฐิว่าเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยดีโดยสงบเรียบร้อยใจก็ไม่ต้องคอยสะดุ้งหวาดระแวงเมื่อประพฤติดีมีศีลก็ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายใจทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เมื่อใจสงบแน่วแน่ผ่องใส ก็ช่วยให้คิดคล่องมองเห็นอะไรๆชัดเจนไม่เอ็นเอียงมีความเข้าใจดีเกิดปัญญาถ้าปัญญานั้นรู้ตระหนักมองเห็นคุณค่าของความประพฤติดีมีศีลก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเข้าใจถูกต้องก็คิดและพูดทำประพฤติปฏิบัติถูกต้องเป็นศีลอีกอีกตอนหนึ่งก็ได้กล่าวว่า การฝึกหัดศีลหรือฝึกอบรมความประพฤติจะชื่อว่าเป็นการศึกษาก็ต่อเมื่อสามารถทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยตั้งแต่ขั้นทราบซึ้งในคุณค่าของศีลหรือมีค่านิยมแห่งความสุจริตขึ้นไปการฝึกอบรมความประพฤติ ท, ที่จะให้มีผลเช่นนี้ได้กล่าวมาณที่นี้2 อ, อย่างคือ 1. การฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธาเป็นวิธีที่เน้นหนักในด้านระเบียบ ว, วินัยได้แก่การจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เป็นกรอบกำกับความประพฤติและจัดระเบียบความเป็นอยู่เช่นกิจวัตรเป็นต้นให้กระชับฝึกคนปฏิบัติให้เกิดความคุ้นและเคยชินเป็นนิสัยพร้อมนั้นก็สร้างเสริมศรัทธาโดยให้กัาณมิตรเช่นครูแนะนาชักจูงใหเห็นว่า การประพฤติดีมีระเบียบวินัยเช่นนั้นมีประโยชน์คุณค่าหรืออานิสงอย่างไรและอาจให้ได้ยินได้เห็นบุคคลผู้มีความประพฤติดีงามน่าเลื่อมสายศรัทธาที่มีความสุขความสำเร็จเป็นแบบอย่างประกอบไปด้วยบุคคลผู้มีความประพฤติดีงามน่าเลื่อมสายศรัทธาที่มีความสุขความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ว่าก็เช่นครูนั่นเองโดยวิธีนี้ ความซาบซึ้งในคุณค่าของความประพฤติดีงามความรักวินยัยความใฝ่นิยมศีลก็เกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีกรลยานามิตรคอยชี้แจงประโยชน์หรือได้เห็นแบบอย่างอะไรมากนักแต่ถ้าระเบียววินยัยหรือกรอบความประพฤตินั้นเป็นสิ่งที่เขาปรับตัวเข้าได้เกิดความเคยชินเป็นนิสัยขึ้นมาก็ดีเขาได้รับผลดีมองเห็นประโยชน์แก่ตนบ้างก็ดีเขาก็จะเกิดความใฝ่นิยม และคิดหาเหตุผลเข้ากับความประพฤติดีมีระเบียบวินัยนั่นเองเมื่อพ้นจากขั้นประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับมาถึงขั้นเห็นคุณค่าฝ่ายนิยมที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็เข้าสู่ขั้นเป็นสัมมาทิฏฐินับได้ว่าเริ่มมีการศึกษาแม้ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิชนิดโลกีอย่างอ่อนเหลือเกินและไม่สู้มั่นคงปลอดภัยนักเพราะอาจกลายเป็นการปฏิบัติด้วยความยึดมั่นงม ง, งาย เป็นศีลปะตัปปรามาตได้ก็าตาม